มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาปฐมวักสมาธิลักษณะปัญหาที่ส3บสาถามว่าสมาธิมีลักษณะอย่างไร ราชาสมเด็จพระเจ้ามิลินทราธิบดีมีพระราชโอ่งการตรัสถามว่าพันเตนาคเซนะข้าแต่พระนาคเซนผู้ประกอบด้วยปรีชาสมาธิมีลักษณะอย่างไรพระนาคเซนวิสัชนาแก้ไขว่ามหาราชาดูราณะบพิษพระราชาสมภารสมาธินี้มีลักษณะเป็นประธานอ่านว่ากุศลธรรมบรรดามีนั้น สมาธิปมุขขามีพระสมาธิเป็นประธานเป็นหัวหน้าสมาธินินนามีพระสมาธิเป็นจอมสมาธิโปโนามีพระสมาธิเป็นเงื้อมสมาธิปภารามีพระสมาธิปกงําตกว่ากุศลธรรมทั้งปวงนี้มีสมาธิเป็นปุเรจาริกดังนี้จึงว่า สมาธิมีลักษณะเป็นประธานพระราชสมภารพึงเข้าพระไทยด้วยประการชนีพระเจ้ากรุงมิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชโอการตรัสว่านิมนต์พระผู้เป็นเจ้ากระทําอุปมาไปก่อนพระนาคเษนถวายพระพร อ, อุปมาว่ามหาราชะดูราณบาพิษพระราชสมภารเปรียบดุดนิเวศเรือนมียอดอันงามยิ่ง ฟ้าและพึงคือเชิงกรอนและจั่วทั่วทัพบสัมภาระเครื่องเรือนนั้นประชุมกันสิน้นเรียกว่าเรือนยอดนั้นกูตะนินนาอาศัยมียอดเป็นจอมกูตะโปนาอาศัยมียอดเป็นเงื้มกูตะปัพาราอาศัยมียอดง้ําชะง่อนปกไปยะถาฉันใดพระสมาธินี้ เป็นประธานแก่กองกุศลทั้งปวงสิ้นกุศลกรรมทั้งปวงนั้นสมาธินินนามีพระสมาธิเป็นยอดเป็นเงื้อมเป็นที่ปกงำดุจเรือนยอดนั้นขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ากรุงมีลินภูมินทราธิบดีมีพระราชค์การตรัสว่าอารัธนาพระผู้เป็นเจ้ากระทำอุปมาให้พิญโยภาวะยิ่งขึ้นไปกว่านี้ พระนาคเนมีเถระวาจาอุปมาอีกเล่าว่ามหาราชดูรานะบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐในสมบัติมหาศาลเปรียบปานดุดบรมกษัตริย์อันมีที่เสด็จไปสู่ประเทศอันใดอันหนึ่งด้วยพระบวรยศอันยิ่งมีพระยุหะญาตราพร้อมด้วยจัตุรงคเสนาทั้งสี่คือเสนาหัตถีเสนีอาชาเสนารถ เสนีบทจรเดินลำลองปกป้องแห่แหนแสนสุระยูธาและเสนาจัตุรงบรรดาที่ยกมานั้นตัมปมุขขามีสมเด็จบรมกษัตราย์ที่ราชนั้นเป็นประธานสิ้นตันนินนามีพระมหากษัตราย์ที่ราชนั้นเป็นจอมเป็นเงื้อมเป็นที่ปกงามไว้ยะถาฉันใดอันว่ากุศลธรรมทั้งหลายก็อาศัยพระสมาธิเป็นประธาน เป็นจอมเป็นเงื้อมเป็นที่ปกงาดุจคนทั้งหลายอาศัยสมเด็จบรมกษัตริย์ฉะนั้นขอถวายพระพรสมด้วยวาระพระบาหลีสมเด็จพระจินวรตรัดไวช้ชะนนี้สมาธิพิกเวพาเวทะสมาธิโกพิกขุยะถาภูตังประชานาตีติแปลตามกระแสพระพุทธดีกาว่า พิกเวดูราณะภิกษุผู้กลัวภัยในวัดสงสารตุมเหท่านทั้งหลายจงพากันฝัก ฝ, ากฝาก่ายเถิดซึ่งพระสมาธิอันประเสริฐภิกษุรูปใดได้จำเริญพระสมาธิอันเลิศนี้จะดีหนักหนาปะชานาติจะตรัสรู้มรรคและผลและไตรวิชาสมาบัติยะถาภูตังเที่ยงแท้ดังนี้นี่แหละ พระพุทธดีกาโปรดไว้จงทราบในพระบวรราชสันดานด้วยประการดังนี้ฝ่ายสมเด็จพระเจ้ากรุงมิลินปินกษัตริย์ก็มีพระราชโอการตรัสว่ากันโลสิพระผู้เป็นเจ้าวิสัชนานี้สมควรแล้วสมาธิลักษณะปัญหาเป็นคำรบสิบสามจบเท่านี้